ดอเด็กกับต่อเต่าเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอาดีตพรถ้าเป็นเป็นภาษาบาลีเขาจะเป็นอาตีตะเพราะฉะนั้นต่อเต่ากับดอเด็กนิยมแผลงก็แล้ก็เปลี่ยนเช่นวอแหวนกับพอผ่านก็นิยมแผลงหรือเปลี่ยนบางทีสอสล า, ากับสอหรืสอสอสล า, ากับสอเสือบางทีก็นิยมแผลงเปลี่ยนกันนะตามหลักความนิยมของภาษา พูดถึงสังสมสันดาลเนี่ยนะหมายถึงว่ า, าจนชิน น, นะใช้คำว่าชินก็ได้หรือหรืออาจจะสามารถพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าชัดเจนมากในแง่ของปะกระตูปะนิสยะปัจจัยคือหมายถึงว่าว่าโดยหลักก่อนนะว่า จิตเนี่ยแบ่งเป็น3ก่อนคือ1จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็จิตที่เป็นอัพพยากตะทีนี้ในโลกของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นไปกับทานศีลภาวนาถ้าอกุศลเหล่านี้สามารถเป็นปัจจัยให้กุศลก็ได้นะเมื่อทํากุศลนะแล้วมาเจริญกุศลต่อไปอีกก็กได้ กุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้ให้ทานเสร็จเสียใจในภายหลังะนะรักษาศีลเสร็จเสียใจในภายหลังเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเสร็จเสียใจในภายหลังอันนี้เรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยแกอกุศลก็ได้หรือว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อภพยากตะก็ได้อันนั้นนะโดยอุปนิสัยนะเพราะฉะนั้น กุศลที่ทำมาไปเนี่ยนะปัจจยุบัญในแง่ประตูปานิสยาปัจจัยไม่ค่อยแน่นอนเหนไนะบางคนอาจจะให้ทานเสร็จปุ๊บโอ้ข้างเดียวก็พอและวเลิกทำแล้ตั้งกันนี้ต่อไปเง น, นะบางคนมารักษาศีลแปดเข้าหน่อยโรคกระเพาะกําเริบก็เลยบอกตั้งอันนี้ต่อไปเลิกแล้อย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นกุศลก็เป็นปัจจัยอีกตั้งไม่รู้กี่เรื่องอากุศละอะอากุศลที่เป็นเป็นไปกับโลภะที่เป็นไปกับ โทสะและโมหะอากุศลเหล่านี้สามารถเป็นปัจจัยให้แก่อากุศลด้วยกันต่อไปก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็ได้หรือไปเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอัพยากตะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปจะได้9ข้อเนี่ยนปัจจัยแค่สมตัวหลักๆนะผลจะเป็น9้าข้อ จะออกมาคลอดเป็นผลเก้าชนิดแต่ลวไอ้ผลเหล่านี้มันก็จะแตกตัวไปองนะ ม, นมันวิจิตแบบนี้แหละมันสั่งสมอัทยาสายแบบนี้เพราะฉะนั้นใครนะอย่าไปคิดจัดสรรความคิดคนเลยมันไม่ค่อยสำเร็จหรอก นะเช่นยกตัวอย่างว่าอัพยากระตาได้แก่จักขวิญญาณดูะนะจักขวิญญาณเนี่ยสมมติว่าไปเห็นรูปารมแบ่งเป็นอิทถารมอณิทถารมหรือว่ามัชชตารมเนี่ยนะพอเห็นอิทธารมอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยแกราคะอณิทถารมก็เป็นปัจจัยแก่โทสะหรือมัชชตารมก็เป็นปัจจัยแก่ โมหะอันนี้ถึงพูดถึงบุคคลทั่วๆไปทีนี้คนที่สะสมหรือมาเจริญหรือบำเพ็ญไตรสิกขาเขาจะเจริญอโลภะแทนเจริญอโทสะเจริญอะโมหะเพราะฉะนั้นถือว่าจักรวิญญาณเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่กุศลอะกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศล อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือการเห็นครั้งแรกเป็นปจัจจัยแก่การเห็นครั้งต่อๆไปดูแล้วดูอีกดูไม่ค่อยชัดอ่ะนะสำนวนว่าดูแล้วดูอีกก็จักขูวิญญาณเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณอีกบางคนเห็นแล้วไม่พอต้องฟังด้วยนะว่าไม่ิอย่างงี้นะก็ทั้งเห็นทั้งฟังอ่ะนะก็คือเป็นปัจจัยแก่ชาติวิบากด้วยกันอันนี้เาเรียกว่าอพยากตะเป็นปัจจัยแก่ อกุศลก็ได้เป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้หรือเป็นปัจจัยแก่อภพยากตะด้วยกันก็ได้ซึ่งในปกตูปะนิสยปัจจัยโดยพิสดารก็คงจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหรแต่ว่าอาจจะได้เรียนแต่ก็เคยคุยกันบ้างแล้วเอหอัวข้อนี้ก็น่าเรียนเหมือนกันเอามานี่บนไว้เยอะแล้วนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า แก่บนไม่ค่อยหวัดไม่ค่อยไหวเหมือนกันบนค้งเดียวเนี่ยพูดแก้บนเนี่ยต้องเป็นเดือนดืะ น, นะกว่าจะจบก็อีกหัวข้อหนึ่งของจิตก็คือรักษาอัตภาพอันก ร, รเนี่ยนะเป็นต้นสังสมเอาไว้ คือเวลาที่จิตเกิดขึ้นในชาวนะทั้งหลายนไอย่างอัน น, น, นว่ากุศลเวลาเกิดขึ้นก็จะเป็นวิถีหรือที่เรียกว่าชาวนะอันนี้อันนี้พูดถึงเผื่อคนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ด้วยนะว่า ภาวนาที่เกิดขึ้นโดยปกติทั่ ว, วไปจะเกิดเจ็ดดวงดวงที่ 1, ที่2ที่3ที่4ที่หที่6ที่7นะหมายถึงว่า1แวบ็บหรือ1ความคิดที่แบบภาษาเราๆนะใช้ว่าในขณะที่1ความคิดคิดขึ้นถ้าแบ่งมาซอยแล้วอย่างน้อยที่สุดต้องเกิดซ้ากัน7ขณะนะนะทั่วๆไปที่คิดนะจะคิดถึงอะไรก็ได้1ความคิดเนี่ยมาซอยอันนั้นเป็น เขณะอ่นนะเห็นแล้วนึกชอบก็มาแบ่งไอความชอบอันนั้นออกไปเจ็ดขณะเห็นแล้วนึกชังนึกเกลียดไม่ชอบไม่พอใจก็แบ่งไอความคิดอันนั้นออกมาเจขณะอ่นนะเพราะฉะนั้นความคิดเหล่านี้ที่พูดถึงในชาวนะนะชวนะที่เป็นกุศลและอกุศลชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นทีธถถมำอ่า น, นะ พิธธรรมะเวทนียกรรมหมายว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะมันรักษาผลประโยชน์ว่าฉันสามารถให้ผลได้ชาตินี้นะสามารถนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะจะได้หรือไม่ก็เหมือนกับอยู่ที่เราไปเที่ยวทาสัญญาเอาไว้ทั่วๆไปอ่ะนะเที่ยวทำสัญญาคาประกันหลายเรื่องเอาไว้นะว่าตกลงนะเงื่อนไขอันนี้วางไว้อย่างนี้อย่างนี้ แต่แล้วจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ปัจจัยด้านอื่นๆด้วยแต่ถือว่าทําสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วในในขณะที่ความคิดนั้นเกิดนะแต่ถ้าเป็นดวงที่7ก็ทําสัญญาว่าเป็นอกปัชชะเวทนียกรรม น, นะวางสัญญาว่าชาติหน้าฉันจะให้ผลนะนนะวางสัญญชาติหน้าจะให้ผล เฉพาะดวงที่เจ็ดนะวางสัญญากันไว้แบบนี้ส่วนดวงที่สองถึงดวงที่หกก็วางสัญญาว่าอะปราปริยะนั่นนะเรียกว่าหมายถึงดวงชาติที่อ้า น, นะชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าแกไม่นิพพานซะก่อนคงเจอกันนั่นนะไปเหอะ ศักชาติหนึ่งครับเอาใช้คําว่าศักชาติหนึ่งนะถ้าแกยังอยู่ในรัศมีวัดตาสามนี่ฉันจะเล่นงานแกนให้ได้อ่านะก็ถ้านี้แล้วแต่ว่าอันนัเพื่อนดีนะสมมติว่านี่เป็นเพื่อนดีเอานะเพื่อนเพื่อนในในความคิดนั้นถ้าเป็นกลุ่มดีนะบอกว่าฉันจะช่วยเหลือคุณในวันนี้นะถ้ามองแบบชีวิตมองเป็นวันวันอ่ะนะมองวันนี้ว่าเพื่อนคนที่หนึ่งั่นบอกว่า ไม่เป็นไรเพื่อนวันนี้ฉันช่วยได้แต่ว่าวันต่อไปฉันหมดเวลาแล้วฉันช่วยแกไม่ได้หรอกเพื่อนคนที่เจ็ดบอกไม่เป็นไรเพื่อนเฉพาะวันพรุ่งนี้นะจะเป็นภาระของฉันเองนะเพื่อนคนที่เจ็ดเขาว่างั้นไอ้เพื่อนคนที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยนะคนที่สองถึงคนที่หกเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงนะคนที่หนึ่งเขาช่วยแกไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่เจ็ดช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตั้งแต่วันประือดนี้ต่อไปนะ ถ้าฉันมีโอกาสฉันจะไม่ลืมแกหรอกนะอันนี้เพื่อนดีนะเขาจะว่ากั้นแต่ถ้าเพื่อนชั่วบ้างเขาบอกว่าเอางี้นะเพื่อแกเฮ้ยเนหะ็นไหมชาตินี้ฉันก็เด็ดหัวแกให้ได้นะลงที่หนึ่งนะไอคนที่หนึ่งก็บอกว่าฉันจะเด็ดหัวแกวันนี้แหละคนที่เจ็ดบอกถ้าแกเด็ดไม่สําเร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นผลงานของฉันบ้าง คนที่สองถึงคนที่สองถึงคนที่6บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคนที่หนึ่งกับคนที่เจ็ดพลาดที่เหลือจะเป็นภาระของฉันเองฉันจะติดตามไม่มีเลิกลาเนี่ยนะจะจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะมันก็ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ากรรมมันให้ผลนะถ้าดวงที่หนึ่งมันให้ผลมันก็เสียหายในชาตินั้นเลยใช่ไหมอ้าดวงที่เจ็ดถ้าให้ผลนำเกิดอ่นะนำเกิดในภพที่ไม่ดีเนี่ยนะ แล้วก็อันนี้ชาติหนึ่งผ่านไปแล้วชาติต่อไปอีกดวงที่เจ็เนี่ยมาให้ผลนำเกิดชาติหน้านะถ้ายังไม่สิ้นนะอันนี้นำเกิดอีกอก็เจตนาเนี่ยมันสามารถนำเกิดเพราะฉะนั้นชาวนะที่เป็นกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะมันเหมือนกับเราไปทำสัญญาคำตักกันอะไรไว้สักอย่างถึงที่มันวิบัติมากนะ เป็นสัญญาที่เกิดจากถามว่าใครเป็นคนดูแลผลประโยชน์อันนี้ว่าจะต้องเป็นไปตามแนวนี้นะใครดูแลจังเกตุดาใครเป็นคนดูแล ว, ว่าคือที่ทำสัญญากันไว้อย่างนี้นะจะต้องแน่นอนใครเป็นคนดูแลอันนี้ตัวกรรมด้วย น, นะคนดูแลสัญญานี้ก็คือตัญหาเขาจะดูแลผลประโยชน์อันนี้อย่างเยี่ยงเนี่ยนะว่าจะต้องเป็นไปตามแนวนี้แหละ นะเพราะเขากรรมไอ้คําว่าตันหาเป็นตัวเย็บเย็บนะเย็บระหว่างกรรมกับผลของกรรำเอาไว้ให้มันให้มันสมดุลกันเห็นไหมเชื่อมไว้จากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งมันจะเชื่อมไว้ทั้งหมดเลย น, นะเพราะฉะนั้นวิธีละเนี่ยเงื่อนไขของกรรมมันเป็นอย่างนี้มันไปละตัวกรรมตรงๆละไม่ได้เขามาฆ่าที่ละที่ตันหาถ้าละตันหาได้นะเรียกว่าไอ้คนคําประกันมันหมดแล้วอะ่ะ ระบบมันเสียหายหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่นี่ก็เลยหมายความว่าตัดบัญชีแล้วปิดบัญชีแล้วก็เอาไหมคุณลาวั น, นเอาอเอาเหมือนกันนะเฉพาะดวงที่เจ็ดเฉพาะดวงที่เจ็ดนะชั้นชั้นให้ผลได้เท่านี้จริงๆ อย่างอย่างที่เปรียบเทียบเมื่อกี้ว่ามีเพื่อนอยู่เจ็ดคนนะนะเพื่อนคนนี้เขาบอกเขาช่วยได้เฉพาะวันนี้เท่านั้นคือถ้าชัา้นช่วยไม่ได้ก็ถือว่าช่วยไม่ได้คนที่เจ็ดบอกว่าชั้นช่วยแกชั้นว่างเฉพาะพรุ่งนี้นะที่จะช่วยงานแกไอคนที่สองถึงคนที่หกบอกว่าเพื่อนตั้งแต่ปรืนนี้ไปนะเมื่อไหร่ก็ได้นะว่างเสมอนะน่ะลักษณะเนี้นะ แต่ทีนี้หมายคว่าไอคนนี้ถ้าวันนี้เขาว่างเขาอาจจะช่วยเราได้เขาทำได้ถ้าถ้าได้ปัจจัยพร้อมนะเขาจะทำเขาจะให้ผลดวงที่เจ็ดถ้าพรุ่งนี้เขาได้ปัจจัยพร้อมเขาจะทำดวงที่สองถึงดวงที่หกนะตั้งแต่ปรืนนี้ไปเนี่ยเขาจะให้นะเขาจะไปช่วยหรือจะไปฆ่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเขาเป็นศัตรูหรือเป็นเป็นมิตรอ่ะเฉพาะดวงที่หนึ่ง ถ้าชาตินี้ไม่ให้ผลอโหสิดวงที่เจ็ดชาติหน้าไม่ให้ผลอโหสิแต่ว่าสองถึง6บอกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนอ น, นะเมื่อไหร่ก็ได้เออไม่ไม่แน่ว่าเขาจะนำเกิดหรือไม่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องนำเกิดอันนี้พูดถึงเงื่อนไขถ้าเขาให้ผลเขาอาจจะให้การให้ผลให้สองชนิดคือให้ผลนำเกิดอย่างหนึ่งให้ผลในประวัติการเนี่ยอย่างหนึ่ง ทีนี้ถ้ามาพูดเฉพาะที่นําเกิดอย่างเดียวเช่นว่าถ้าชาติหน้ากรรมมันจะนําเกิดนะวินิจฉัยข้อแรกแกมีคารุกรรมไห ม, มอันนะัถ้าศาลก็จะตัดสินนะนะพูดสัมนวนทั่วไปศาลจะตัดสินว่ามีคดีอะไรหนักก่อนว่าคดีนั้นก่อนมีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหารมีไหมนิยตามิจฉาทิฏฐิทําไว้ไหมถ้ามีอันนี้นําเกิดก่อนอายุประวาทิก็เอาก่อน มิฉาที่ถี่ก็เอาก่อนนะีะคือคือกายตุจริศสามจีธุจริศสี่ 4, แต่ที่เน้นๆแรกๆคืออนันตริยกรรมมีไหมอายุรย ป, ประวาตมีไหมอายุประวาตท่านบอกว่าเท่ากับอนันตริยกรรมแต่ว่าถ้าขอขมาก็ก็เบาวกว่าแต่ถ้าไม่ขอขมาก็ให้ผลเหมือนกันขอขมาแล้วเบากว่าคือขอขมาแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ผลแต่ว่าอาจจะยังไม่ให้ผล น, นีนะเช่น พระชะดินน่นะพระชะดินน่ะพระชะดินที่ผมก็เซิงอะนะถ้าเป็นพูดแบบสมัยเราก็ดอนคิงโปรโมเตอร์มวยนะผมมันก็เซิงแบบนั้นอะเออชดินพระชะติละนี่ก็เหมือนกันเขาเนี่ยผมก็เซิงอลยนะตอนหลังก็ออกบวชก็เป็นพระรหารพระชตินเนี่ยอาชีพเขาเนี่ยอดีตชาตเขาเป็นช่างทองแล้วช่างทองเนี่ยเขาก็มาบอกบุญเกี่ยวกับเรื่องสร้างพระเจดีย์สร้างอะไรเนี่ย ตอนนั้นกำลังโกรธแม่บ้านอยู่พอดีเลยเข้ามาคุยกันเรื่องจะ บ, บริจาคทําบุญอ่ะนะบอกว่าเอาพระพุทธเจ้าของคุณไปโยนลงน้ําไปะนะปากเลือกทะเลาะกับแม่บ้านอยู่นะเข้ามาบอกบุญเรื่องนี้ก็เลยโกรธพานไปเรื่องนู้นเลยนะแม่บ้านก็ก็บอกว่าคุณโกรธชั้นคุณจะไปเกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้ามันบาปมากนะเอาละกลัวขอขมาเลยขอขมาก็ทําเป็นผมก็เซิงไปขอขมาอย่างนี้เนี่ยนะเสร็จแล้วกรรมมันั้นก็ ก็คือไม่ให้ผลนำเกิดที่ไปอบายไปอะไรเนี่ยแต่ว่าแกเกิดมาชาติหลังเนี่ยนะเขาเอาไปลอยน้าจริงๆแล้วผมก็กระเซิงหมดเละตอนนั้นก็เล่นกับกรรมเน่น ย, ยากเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ว่าตั้งแตแรก <laughs> ไม่ได้ทะเลาะกัน <laughs> ก็น <laughs> กนไม่ต้องไปทำบาปแบบนั้นอีก นี้ข้อที่สองถ้าไม่มีคาุกรรมอาสันนกรรมจะมาอาสันนกรรมแปลว่ากรรมที่คิดถึงใกล้จะตายว่างๆเกิดไปนึกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ใกล้จะตายเนี่ยนะไปประทับใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากอันนั้นจะเป็นอาสันนกรรมนั่นนะอาจจะทําไม้แค่ครั้งเดียวนะแต่แหมมันตรึงตาตรึงใจมากย่ำย่ำอยู่นั่นแหละตัวนี้จะนําเกิดแทน ถ้าไม่มีอันนี้ก็จะเป็นพหุลกรรมจะ น, นำเกิดพหุลกรรมเนี่ยเช่นทำบ่อยๆเนี่ยนะเวลาวันปกติทำอะไรบ่อยอ่านพระไตปรปิฎกบ่อยๆแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อ ย, อยๆเนี่ยนะใช่ก็ถ้าเทียบกลับไปคิดอย่างอื่นด้วยนะก็อันนั้นแหละจะให้ผลเนี่ยนะทีนี้ถ้าหนึ่งสองสามไม่มี ภาระที่สี่ก็คือกรตัตากรตัตตานี่คืออะไรคือดวงที่สองถึงดวงที่หของอดีตชาติโดยที่สุดเมื่อแสนโกดกับที่แล้วถึงว่าชาตินี้นะคุณเกิดมาคุณใบ้ตลอดคุณไม่คิดอะไรเป็นเลยนะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ไม่เกิดอีกข้างหน้านะเพราะดวงที่สองถึงดวงที่หจักนำเกิดเองเนะน่นะ ของถอยหลังเมื่อสอถอยหลังหลายชาติไปแล้วคือคือสังสารวัตเนี่ยนะเขาจะไม่มองชีวิตเป็นแค่ชาติอ่านะมองชาตินี้ชาติหน้าชาตินนะคือถ้าพูดถึงสังสารวัตสมมติว่าอันนี้ปัจจุบันชาติถอยหลังเนี่ยไม่มีที่ว่ามันจบเมื่อไหร่นะไม่ต้องไปถามเลยว่าไอทีแรกนะมันเมื่อไหร่ แล้วถ้ายังเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยคุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยนะออย่างนี้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงจะถึงวันตายเนี่ยนะคิดว่าพูดสักกี่คำคำพูดนี่กี่คาเอาหนึ่งคที่หลุดออกมาจากปากเนี่ยนะคูณกับชาวนะเจ็ดนี่เลยทำเหตุไว้อย่างนี้หมดเลยทุกคำที่เปล่งออกมานะกุศลอกุศลก็ช่างแต่ อ่ะ น, นะก็คูณกับคําพูดเอางี้กระพริบตาหนึ่งครั้งก็ถือว่ า, าพูดคร่าวๆว่าหนึ่งชาวนะะนะทุกครั้งที่กระพริบตาเนี่ยทำเหตุอันนี้ไว้แล้ว น, นะคิดถึงใครบ้างคิดกี่ครั้งก็หนึ่งความคิดก็เอาคูณกับเนี่ยทั้งทั้งชาติเนี่ยชาวนะที่ที่เป็นกรรมนี่มันเท่าไหร่แล้วถามว่ากรรมหนึ่งดวงมันจะให้ผลหนึ่งไหมหนึ่งเป็นหนึ่งไหมไม่ใช่บางอย่างหนึ่งมันให้ผลเป็นแสนกลับอย่างเงี้ยนะ